หน้า626อา่เป็นเรื่องของอาหารของพระวัตันหา <c oughs> อันนี้พระองค์จะตรัสคล้ายๆกับเรื่องของอวิชชาเหมือนกันจะเชื่อมโยงกัน ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของภวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏภาวะคือพบตัณหาในการสแสวงหาพบความอยากในการเข้าไปสู่พบเนี่ยพระ อ, องค์บอกว่าที่สุดในเบื้องต้นของภาวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้ภาวะตัณหาไม่ได้มี แต่ว่าภวะตันหาเพิ่งมีต่อภายหลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายคํากล่าวอย่างนี้แหละเป็นคําที่ใครๆควรกล่าวและควรกล่าวด้วยว่าภวะตันหาย่อมปรากฏเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ภวะตันหานั้นก็เป็นธรรมชาติมีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภาวตัณหาคาตอบพึงมีว่าอาวิชาเป็นอาหารของภาวตัณหาดังนี้ความไม่รู้จึงทำให้มีการสแสวงหาพบความอยากในการเข้าไปสู่พบ <c oughs> เรื่องของภวัตัณหานี i s, <c oughs> <S เราอาจจะได้ยินเรื่องของวิพภวตัณหาพระองค์ตรัสไว้แต่หัวข้อเท่านั้นในเรื่องวิพภวตัณหาในส่วนรายละเอียดของพระสูตรนั้ น, นไม่ได้มีเรื่องของวิพภวตัณหาเลยเพราะถ้ามีการพูดเรื่องวิพภวตัณหา ด้วยบทพัญชนธะคาของพระธรรมคตก็จะขัดกันเองนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงกลัดเรื่องของภาวะตัณหาและการละภวะตัณหาคือความอยากในการสร้างพบที่จิตจะไปรับรู้อารมณ์ไปสร้างพบนั้นเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการเข้ามรรคผลนิพพานพระองค์บอกต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าถึงแม้อวิชาก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็ไรเล่าเป็นอาหารของอวิชาคําตอบพึงมีว่านิวรณ์ทั้งหลายห้าประการเป็นอาหารของอวิชาดังนี้พระองค์ก็ไล่ต่อไปในเรื่องของอวิชา ว่าเป็นธรรมชาติที่อาศัยอาหารเหมือนกันในการหล่อเลี้ยงให้อวิชามีอยู่ในลักษณะเดียวกับภวะวัตหานนะผู้เจ้าก็เคยตรัสว่าที่สุดในเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏก่อนแต่นี้อวิชามิได้มีแต่ว่าอาวิชาเพิ่งมีต่อในภายหลังเปลี่ยนคําว่าอาวิชาาเป็นภวตัตหาใส่เข้าไปตรัสเหมือนกัน ตรงนี้เมื่อเทียบกับเมื่อเอามาคู่กันกับอวิชากับภวะตัณหาพระองค์ก็จัดว่าอาวิชาความไม่รู้เป็นเหตุเป็นอาหารของภวะตัณหาทำให้ตัณหาในการสร้างพบเนี่ยมีอยู่มีอยู่ต่อไปถ้าเรารู้แล้วจิตก็จะไม่ไปสร้างพบแต่ถ้าไม่รู้จิตก็จะแสวงหาภาวะตัณหาไปตลอด และตัวอวิชานั้นก็มีเพราะนิวร์ทั้งหลาย5ประการกรมฉันทะพยาบาททีนมิตะอุทธจกักกุปุจจะแล้วก็อวิชานะทัวนี้ก็เป็นอาหารหล่อเลี้ยงให้วิชามีอยู่ต่อไป <c oughs> จากนั้นพระองค์ก็ไล่ลำดับเหตุการณ์เกิดนะว่าดูกนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม่นิวร์ทั้งหลาย5ประการ ก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็ไรเล่าเป็นอาหารของนิวร์ทั้งหลาย5ประการคำตอบพึงมีว่าทุจริตทั้งหลาย3ประการดังนี้ถ้าเรามีกายทุจริตวจีทุจริตโนทุจริต3อย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้ <c oughs> นิวร์ทั้ง5เกิดขึ้น การมฉันทะความพอใจในการคือรูปเสียงกลินล่นรสพยาบาทนะความไม่ยินดีในรูปเสียงกลินล่นรสทีนมิทะนะความว่่งเหงาหานอนอุทจักกูกุจฉะความฟุ้งซ่านนะวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้ <c oughs> อวิชาทั้งหลายดำรงอยู่ต่อไปอวิชาเป็นเดให้ภาวะตัญหาดำรงอยู่ต่อไปตัวทุจริตทั้งหลายสามประการที่เราไม่ควบคุมจะเป็นเดชให้ <c oughs> นิวรณห้านั้นมีอาหารหล่อเลี้ยงต่อไปพระองค์ตรัสต่อไปว่าทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วนิวรณ์ห้าก็ยังจะดำรงอยู่ต่อไปนิวร์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชาให้บริบูรณ์อวิชาบริบูรณ์แล้วย่อมทำภาวะตัณหาให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งภาวะตัณหานี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้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 อันนี้เขาตัดออกมาหนังสือเล่มนี้เขาจะตัดออกมาเพราะว่าตัวอย่างนี้จะเคยยกไปแล้วพอซอกเขาซอบผาลําพุ้ยแล้วก็จะทําให้ละหานน้อยละหานใหญ่เต็มละหน้อยละหานใหญ่เต็มแล้วก็ทําให้ไล่ไปจนถึงแม่น้ําทั้งหลายเต็มจนไปถึงมหาสมุทรแล้วพระองค์ก็ตัดมาถึง โยงมาถึงเรื่องของอารมณ์ว่าถ้านิวร์ทั้งหลาย5ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำอวิชาให้บริบูรณ์อวิชาบริบูรณ์แล้วย่อมทำภวตัณหาให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งภวะตัณหานี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยการอย่างนี้ อันนี้เป็นเรื่องของภาวะตันหา <c oughs> อีกพระสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิชาและวิมุตตก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่มาคีบอกฝั่งไม่ดีนะอันนี้ฝั่งดีก็มีอาหารเหมือนกันอาหารของวิชาวิมุตต์คืออะไร ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตคำตอบพึงมีว่าโพดชงทั้งหลาย7ประการตัวองค์ัดสลุทำเจประการนี่แหละเป็นอาหารของวิชาและวิมุตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้โพดชงทั้งหลาย7ประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโพชงเจ็ทั้งหลายคาตอบพึงมีว่า สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการเพราะฉะนั้นถ้าเราจเจริญสติปัฏฐาน4ี่ะโพชฌงจะบริบูรณ์วิมุตตก็จะบริบูรณ์นะไล่ลเป็นลำดับมาอย่างนี้และตัวสติปัฏฐาน4ละ่ะมีอะไรเป็นอาหารก็คือสุดจริตทั้งหลาย3ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้สติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการ ก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐานทั้งหลาย4ประการคำตอบพึงมีว่าสุดจริตทั้งหลาย3ประการดังนี้ <c oughs> สุดจริตทั้งหลาย3ประการเราจะทำกายวาจาใจให้ดีเราต้องเป็นอย่างไรพระองค์บอกว่าต้องสำรวมอินทรีย์เพราะขนาดเราสำรวมใจอยู่กับกาย กายวาจาใจสุจริตหมดนะพอกายวาจาใจสุจริตนะสติปัฏฐานทั้ง4ก็บริบูนสติปัฏฐาน4ี่บริบูนวิชาวิวมุตติกําลังบริบูรณ์แล้วเป็นอาหารของกันและกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจับหลักไม่ง่ายคือสํารวมอินทรีย์ผู้เจ้าจึงบอกว่าผู้ไม่สํารวมอินทรีย์คือผู้ประมาทผู้สํารวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาท ท่านการสำรวมอินทร์มีอะไรเป็นอาหารพระองค์ก็บอกว่าความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสติคือการระลึกได้ถ้าเราละความเพลินระลึกได้กลับมาที่กายนี่ไงสำรวมละสติอาการจิตที่ระลึกได้เราต้องมีอาการจิตตรงนี้เรื่อยๆสติสร้างขึ้นมาระลึกได้กลับมาที่กายของเราขณะที่ระลึกได้กลับมาที่กายของเราเรียกว่าเราสำรวมขณะเราสำรวม กายวาจาไม่ผิดขณะกายวาจาไม่ผิดสติประฐานครบสติประฐานครบก็กำลังจะเป็นไปเพื่อวิชาวิบุตร <c oughs> ของมันติดกันเลยนะเป็นเรื่องของจิตอันเดียวท่านี้สติสัมปชัญญะมีอะไรเป็นอาหาร <c oughs> <c oughs> พระองค์บอกว่ามีโยนิโสมนัสิการเป็นอาหารน้อม การน้อมไปเพื่อหเห็นตามที่เป็นจริงเราจะน้อมไปในอะไรเพื่อหเห็นตามที่เป็นจริงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นโยนิโสมนัสิการมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงต้องมีศรัทธาพระพุทธเจ้าจึงบอกศรัทธาเป็นอาหารของโยนิโสมนสิการ ศรัทธาจะมีขึ้นได้อย่างไรต้องได้ฟังธรรมการฟังธรรมจะมีขึ้นได้อย่างไรต้องครบสัพปะบุรุษถ้าครบคนไม่ดีก็พาไปกินเหล้าครบคนดีก็พาไปฟังธรรมพระองค์ก็เลยจบไว้แค่นี้แล้วก็ย้อนกลับว่าด้วยอาการอย่างนี้แลที่เมื่อการครบสัพประุรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทําการได้ฟังพระสัจธรรมให้บริบูรณ์ฉะนั้นพอครบคนดีก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมให้มีศรัทธาศรัทธาให้มีโยนิโสโมนสิการเข้าไปน้อมไปเพื่อหเห็นจริงตามนั้นโยนิโสโมนสิการก็เป็นเหตุให้มีสติสัมปชัญญะมีการระลึกได้การรู้ตัวขึ้นมาไม่หลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็คือเราสํารวมเปนสี่เราสํารวมก็จะเป็นเหตุให้ กายวาจาจิตไม่ผิดไม่ไหลไปตามอารมณ์นะที่เป็นอกุศลกายวาจาจิตบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ทำให้สติปัฏฐานบริบูรณ์สติปัฏฐานบริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชชง7จตองตัสลุธรรมบริบูรณ์และทาวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งวิชาลายวิมุตตินี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยการอย่างนี้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 น้อยทั้งหลายให้เตม็มแม่น้ําน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทําแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายให้เตม็มแม่น้ําใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เตม็มดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งสมุทรสาครนั้นย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยการอย่างนี้นี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือการคบสับปะ สัพพะบุรุษบริบูรณ์แล้วย่อมทำให้ได้ฟังพระสัจธรรมนะการได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำโยนิสมรณาสิการให้บริบูรณ์โยนิสมรณสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสุจริตทั้งหลายสาประการให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลายสาประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพธิ์ชงทั้งหลายนะทั้งเจให้บริบูรณ์โพธิ์ชงทั้งหลายเจประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ อันนี้ก็จะเป็นการไล่ลำดับเหตุเหตุปัจจัย